ปัญหาข้อที่24อธิบายและตอบปัญหาเรื่องผมของโอปปาติกะและพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เทวดานำไปบูชาการวิวัฒนาการของทิพย์จนเป็นวัตถุการเศกของทิพย์ให้เป็นวัตถุหยาบทำได้แค่ไหนและจะคงอยู่ได้นานเท่าไหร่ปัญหาข้อที่24 ผมของโอปปาติกะเรื่องผมของโอปปาติกะตามที่เอสเทลโรเบิร์ตบันทึกไว้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากอีกเรื่องหนึ่งแต่ก่อนอื่นขอให้ท่านอ่าน บ, บันทึกเรื่องนี้ให้ละเอียดเสียก่อนซึ่งมีอยู่หนังต่อไปนี้ต่อมาหลังจากนี้อีกประมาณสองสัปดาห์เราได้มีการเข้าทรงวิญญาณ โดยให้โอปิปติกามาปรากฏตัวให้เห็นอีกคนหนึ่งในโอกาสนี้มีโอปปปติกาสองท่านมาปรากฏตัวให้เห็นคือท่านเมฆแดงและอีกผู้หนึ่งซึ่งเราเรียกว่าอาชชเอลท่านอาชชเอลนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสําคัญในครั้งนี้ได้มาปรากฏตัวให้เห็นเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยยอมให้พวกเราทั้งหกสิบคนที่มาร่วมประชุมในที่นั้น เดินแถวเข้าไปในระยะใกล้ท่านประมาณสองฟุตในระหว่างนี้ท่านได้ถือดวงไฟฉายที่มีผ้ากลุ่มสีแดงไว้ฉายส่องให้เห็นหน้าและบ่าของท่านตลอดเวลาเมื่อทุกคนได้มานั่งที่เดิมของตนอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านเมกแดนเดยเรียงมิสซิสคอนสแตนเทเลอร์ให้เอากันไกลมาให้ท่านด้วยเสร็จแล้วท่านก็ได้ตัดปุยผมออกจากศีรษะของท่านอาเชลยืนมาให้มิสซิสคอนสแตนเทเลอร์จับดูปรากฏว่า เป็นผมยาวละเอียดอ่อนนุ่มเหมือนกับไหมยาวประมาณ6นิ้วและดิฉันใกล้จะบอกให้ท่านผู้อา่านซึ่งอาจจะสงสัยให้ทราบเสียด้วยว่าลักษณะของผมดังกล่าวนั้นไม่มีลักษณะเหมือนของดิฉันเลยแม้แต่น้อยคือว่าผมของท่านอาชเชลนั้นผมเส้นตรงและเห็นได้ชัดว่าละเอียดกว่าผมของดิฉันซึ่งมีลักษณะเป็นสีเทาและงอเป็นลักษณะคลื่นอยู่ตลอดเวลา ต่อมาเราได้นำผมชุดนั้นไปให้ที่ร้านคลาสสันพิจารณาดูโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งร้านคลากสันนี้เป็นร้านช่างทางผมสำหรับใช้ในการละครและภาพยนตร์ที่จำนานมากทางร้านได้รับรองว่าเป็นผมคนอย่างแท้จริงดิฉันยังคงรักษาผมชิ้นนี้ไว้ในความครอบครองแม้จนปัจจุบันนี้พร้อมทั้งเอกสารบรรยายเหตุการณ์และมีรายเซ็นรับรองจากทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยว่าเป็นความจริงทุกประการจากเรื่องราวที่บันทึกไว้นี้มีปัญหาอยู่ข้อเดียวที่น่าสงสัยมากคือผมของโอปปาติกะที่ตัดออกมาและเอาไปให้ช่างผมดูซึ่งทุกคนก็รับรองว่าเป็นผมของคนจริงๆและก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ด้วยอันนี้แหละที่เป็นปัญหาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปัติกาองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกับที่ท่านไม่เชื่อในเรื่องของขวัญที่มาจากโลกทิพย์และเรื่องนกปจเจริกาแต่สำหรับท่านเมฆแดงท่านก็ยังคงยืนยันของท่านตามเดิมว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นแต่ท่านอธิบายเหตุผลไม่ได้สาหรับในประเด็นข้อนี้ทาให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องผมของพระพุทธเจ้า เมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงตัดเป็นครั้งแรกที่ฝั่งแม่น้ำอะโนมาณทีซึ่งในคำภีได้กล่าวไว้ว่าเทวดาได้รับเอาไปและเอาไปบรรจุไว้ที่พระจุลามณีเจดีในสวรรค์ชั้นดาวดึงและข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามหลวงพ่อสมเด็จว่าพระจุลามณีเจดีหลวงพ่อได้เคยไปเห็นมาบ้างหรือไม่ท่านบอกว่าเคยเห็นและมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้น คือในกลุ่มของคนที่เคยนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะจะอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนก็ตามพวกเหล่านี้ก็ได้สร้างเจดีและบรรจุมวยผมของพระพุทธเจ้าบ้างพระอาทิตย์ธาตุบ้างตลอดถึงของอื่นๆที่เป็นของพระพุทธเจ้าไว้ในเจดีเพื่อเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินท่านอธิบายเช่นนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกหลายอย่าง แต่ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะเก็บเอาไว้ไปอธิบายในภายหลังสำหรับตอนนี้จะขอพูดถึงเรื่องผมของโอปปาติกะที่ว่าสามารถตัดเอาออกมาได้และก็เก็บไว้ได้ด้วยสำหรับประเด็นนี้โอปปาติกะองค์ที่บอกว่าท่านไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้นั้นท่านกอธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าของทุกอย่างในโลกทิพถ้าโอปปาติกะองค์ใดมีอานาจจิตสูงมาก สิ่งกับสามารถทําให้วัตถุที่ละเอียดนั้นหยาบขึ้นมาจนกระทั่งตามนุษย์ลายเห็นได้หรือสัมผัสถูกต้องได้ของที่ว่านี้ก็จะปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเช่นร่างกายของโอปปัตติกาบางคนซึ่งสามารถที่จะทําให้เป็นกายหยาบขึ้นมาจนกระทั่งมนุษย์ลายเห็นได้นั้นจะอยู่ได้ไม่นานเพราะสิ่งที่มีชีวิตเช่นอย่างร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจได้ง่าย แต่ถ้าเป็นวัตถุอย่างอื่นเช่นผมที่ตัดออกมาแล้วหรืออาจจะเป็นวัตถุสิ่งของอย่างใดก็ได้อันนี้ในเมื่อทำให้มันหยาบขึ้นมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจได้ง่ายแต่ปัญหาสําคัญมีอยู่ว่าใครจะเป็นคนที่ทำได้เพราะเท่าที่ท่านเคยรู้เคยเห็นมายังไม่ปรากฏว่ามีโอปปาติกะคนไหนทำได้แต่ถ้าพิจารณาถึงหลักดังเดิมหรือหลักส่วนใหญ่ เราก็จะเห็นว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าแต่แล้วสิ่งต่างๆก็ได้เกิดขึ้นซึ่งมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสิ่งเหล่านี้แต่เดิมอยู่ในสภาพที่เป็นของทิพย์ทั้งสิ้นแต่แล้วต่อมาของทิพย์เหล่านี้เองก็ได้วิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งที่มีความหยาบมากขึ้นซึ่งอำนาจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คืออำนาจของวิญญาณ น, นั่นเองแต่จะเป็นวิญญาณของใคร เป็นของคนคนเดียวหรือว่าเป็นของโอปปปาติกาทั้งหลายช่วยกันบรรดาที่เกิดขึ้นอันนี้ท่านไม่ทราบฉะนั้นตามเรื่องที่กล่าวไว้ในคำพีศาสนาต่างๆซึ่งกล่าวในทํานองว่าโลกนี้มีผู้สร้างนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และในคำพีพุทธศาสนาเองก็เคยพูดถึงเทพเจ้าบางองค์อ้างตัวว่าเป็นผู้มีมาก่อนโลกนี้และเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงไว้ว่าเป็นความเข้าใจผิดของเทพเจ้าผู้นั้นก็แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดว่าโลกได้วิวัฒนาการมาจากโลกทิพย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องใช้เวลา น, านานมากกว่าสิ่งของที่เป็นทิพย์นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งเป็นของหยาบสำหรับในกรณีอย่างนี้ท่านเชื่อว่าเป็นไปได้แต่ที่จะบรรดาี้ของทิพย์ กลายเป็นของหยาบขึ้นมาทันทีเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้อันนี้ท่านไม่เคยเชื่อเพราะแม้แต่ท่านเมฆแดงซึ่งท่านอ้างว่าท่านทําได้แต่พอท่านของร้องให้ทําให้ดูท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงทําให้เกิดความสงสัยไม่ทราบว่าความจริงตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นไปได้อย่างไร